การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างไรไว้โดยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและตรงใจ เต็มสัตว์เต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจอ่อด้วยความจริงใจ ในข้อาข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธการที่บรรดาสาวโกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมา ท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งฝ่ายคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมุทยัยทุก์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดําเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่าน สมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแกล่ละแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มอยู่ในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยทอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาผู้ฟังมีความวน <c oughs> ใจใคร่ต่อข้อข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วทำเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาท ที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้อข้ อ, ขอธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเราเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรแล้ว ว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่สมาธิจะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเราเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์อยู่แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นีน่ตลอดทึงมีมุดหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น นี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำหลับตำราบัตรนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อทำหรือตำหลับตำราซึ่งเป็นร่องซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกเป็นของจญิงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุก์ให้กำหนดรู้นั่น เมื่อรู้ทุกแล้วทุกขนี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกข ค, คืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แก่ปัญญาทํางานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกจิงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุ ท, ทยัยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกเป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเรา สมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีการมตตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเป็นรากันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทประเภทที่กล่าวมานี้ที่นีมักได้แก่อะไรคามากสาวหา เหตุที่เกิดขึ้นจากที่ ท, ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือส า, หาเหตุของทุกข์คืออะไรจนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรคนี่นี่มรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงได้หรืามรรคะอริยรสัจจังมรรคศัตร์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คําว่านิโรธเมื่อทราบ ต้นเหตุของสมุทยัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกการดับเรื่องของการดับทุกก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทยัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปราปปรางนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความกินเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความกิน ความกินมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเหล่านี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกเพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลําต้นและรากแก้วรากขอยข้างมันนี่แหละเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทยัยชิ้นเอกได้แก่อวิชาปฏิยาสร้างขาราณนั่นแลคือความกินอัน เป็นลากฐานสำคัญของวัตจักรวัตถจที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยัง้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนไหนไม่มีกำหนดกฎเกณย์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันนั่นลวนแล้วตแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถภาพความจริงทั้งหลายเหล่านี้ ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนํามาปฏิสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นเป็นร่องเป็นลอยหรือเป็นแนวทางดําเนินด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสาคัญอย่างยิ่งสําหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผลจิตใจไปสู่กระแสะของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงต่างนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปวดเปลื้องปล่อยวางภาละอันหนักถอยเข้ามาถู่ตัวของตัวโดยลำดับตัวอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่ หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราตั้งหวนนักหนาสำหรับท่านเรนที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศ ท, ทิหายไป นอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นกิจอื่นการใดก็ตามให้ถือต่ว่าเป็นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องจะต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชานะกิเลสนี่เป็นหลักใจด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชย กิจอื่นการใดว่าเป็นของเลือดของประสจอพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความผากเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมักและฝ่ายสมุทัทยแจ้งกระจัด ก, กับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลาดับลําดากนี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติ <c oughs> เอาเธอถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใด ได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจากก้าวเข้าสู่ความจริงโดยลําดับลําดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องส้นว่าทุกสมุทัยนิโรธมกักนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟืน้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้งสี่ประการนี้แล้ว ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้งสีนี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้งสีนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยรสัจสี่จึงเป็นฐานที่กันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์อันสองอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกสมุทยัย ถ้าจะพูดถึงเรื่องมนลถินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในใจจิต ใ, ใจของตัวนี้เลยนี่เรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นหละท่านว่า อ, อริยสัจเป็นเครื่องการกรองกิตให้บริสุทธิ์ หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลําดับลําดายจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอํานาจของมรรคญาณ น, นี่ ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคขยานคือปัญญานี้ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แก่ปัญญาขั้นที่จะสังหารกิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัตจักรออกจากใจได้ได้แก่ปัญญายานดังว่านั้นนั่นหลักปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นสําคัญได้ทําหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้ว ถึงกับทุกข์ได้ถึงกับสมูทยัยอันเป็นรากฐานสําคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็นที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมูทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่อริยสัจยิงเป็นธรรมยืนยัน ความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่าศาสดราองค์เอกได้สั่งสอนไว้ไวแล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวลเวลาอันใดก็าตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอาเดัตั์ที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเรา ให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดหลั่ความภาคความเพียรเริยบททั้งสี่เป็นการเปลี่ยนทั้งาธาตุขันทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกันไปและมีความตื่นตัวไปเดินดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่น เปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดาอย่างดังดังที่วัดป่าบันตัดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายทา่ทานพระดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนภูวั น, นี้เช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง อยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสะถานที่ยิ่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนรบโดยหวังพึ่งทำอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณแล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลําดับกําดานี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุคขมูลฤาษีนาสน่งเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทํากันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเนี่ย เมื่อเราไม่ได้สถานที่เะนั้นก็ให้พึงถืออริยะสัจเป็นรากฐานสําคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสาติเป็นสําคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันไดพักผ่อน ความสบายก็สบายเพียงทาบเพียงขันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตันหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะการฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตันหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อน ผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นค่าสิทธต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตันหาก็มาก การแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกาลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขนาดที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้าง เพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่นหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเกียรยาสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆ ชั้นเฉยๆชั้นมากชันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนปนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะหนักทางทาธาตุขันาธาตุขันนั้นมีกําลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศิกต่อธรรมภายในใจของเราเสียนี่จึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผัน กันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกายขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกีย์ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีอยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาพ ค, ความเกลีย์เกี่ยวกับเรื่อง่านเรื่องขันเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการโขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ําไปเนี่ยถ้าเราจะว่า ขั้นนี้เป็นขั้นขัเกีย่อนจักราต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะ จ, จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กําลังสติปัญญามากเขาทะลายยิ่งขมักขมนันยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความขี้เกียจขี้ั้นเหล่ า, น, า, น, า น, นี้มันเป็นกิเลสพอทํามีกําลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภากเพียรจะโหมตัวมาพร้อควา ม, ม, มกันเรื่องความอดความสนมันเป็น เดียวเดียวกันไปนั่นแหละหมุนตี๋วนไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทาตัวให้หลุดท้น <c oughs> แล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอน <c oughs> การขบการฉันเพียงเท่านั้นแหละดังที่โลกโลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสูกแค่ไหน ไม่มีใครที่จะเอามาแข่ง ม, มากขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลยยิ่งกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปลือมันมากให้มีได้มีความสุขมากอย่างนี้นี้มั่นพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศ ก, กว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการข้องหมัดแต่ใจนี้ถ้าลง เราได้บำรุงบำเลอด้วยอักด้วยธรรมดังที่กล่ามานี้จะเป็นวิธีการใดก็ตามเถิดความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแปกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดับแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสําหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ อ้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็งไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเดือดร้อนกระสับกระสา่ายพาระจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในใ จ, ใจิตใจริยาบททั้งสี่เป็นียาบทที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทําไม่หิวไม่หงุดไม่กระวนกระวายเพราะใจสงบนี่ เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไม่ไหนทันใดพอจิตนอกจากสมบุกแล้วยังมีความละเอียดแนมแน่นเข้าไปโดยลําดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลําดับกลำลังนี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนปลือกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้ เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องปนปืดทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยและผู้ที่มาบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมมาตรุ มาสั่งสอนพวกเราอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงท่าทรงขันแต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ท่าขี่ดินน้ำลมไปต้องเป็นดินน้ำลมไปอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่มันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับท่าขี่ดินน้ำลมไฟของเรานี้ เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากอันวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับา่าที่น้ํำนมฝ่ายนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตากับมันได้จริงจริงไหมเราต้องนํามาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรม คือกายนี้หมายถึงเป็นเรื่องของโลกทำหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับทำ ม, มีสมาธิธรรมเป็นต้นไงสมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นหมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กลับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในาจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหยิ่มยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในาจิตใจ เพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงกของใจพอใจได้ะหงบมากยิ่งกว่านี้อีกยิ่งสว่างสวัยอยู่ภายในวงของสมาธินั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องแปลกปราหลาเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งภายในตัวของเราทําให้อบอุ่นทำให้เย็นใจทําให้สบายไม่ยุ่งเหยิงบุญบายกับสิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกระวายกับมันม า, มามากน้อยเป็งไรมันสงหบตัวเข้ามาอยู่ เคื่อนใจแห่งความสงบคือสมาธินี่โดยความสะดวกสบายนี่นี่แหละความสุขของใจความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสําคัญเกิดขึ้นทนี่มากกว่ากายไปไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสําหรับอาศัยใช้เมันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลาบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าเปาไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กองมาได้ ถ้าเวลาเพลินกับมันกับเพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการ น, นอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเร็วไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามานักปฏิบัติต้องพ้นขวาต้องคิดนิพาธ์ต้องแยกต้องแยกต้องเคียดต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วคพิจารณาเข้ามาถึงจิตดังที่ว่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระตั้งแต่ขั้นสมาธินี่ก็เป็นสาระที่สําคัญอยู่แล้วเป็นลาดับลำดา เอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ําเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านหลายต่าหลายครั้งหลายหมุนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ําเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ทำมีความพอสาระสําคัญในสมาธินี้พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจ ที่นนี้แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอา ร, อารมณ์โลกโลกว่างนั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไป้ะหมดดูในความสงบสบายที่นี้เอาปัญญาออกจะรันใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรม ความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางรายละเอียดลอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสําคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงมันตายก็หมาเลยสมาธินี่ดีไมด่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทําให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะความสุข พอที่ให้จิตติดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอา้าวที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายปู่มที่สาคัญที่สุดซึ่งมันคลุกเคล้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสั บ, ส, บสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่นนงนอนเวลานี้เพราะอะไร ก็เพราะรูปรูปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสําคัญเอาแยกเข้ามาให้เป็นอรชุภาเอาพิจารณาเรื่องอรชุภาเป็นอย่างไรในกายของเหล่านี้มันคือกองอรชุภาแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอรชุภาทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ําอกน้ําหอมอยู่ที่ไหนเอาดูที่กองที่เป็นเหตุในลื่นเล็งมันถึงมีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจริง ยอมตัวให้กิเลสมันเตะสันทันยอลอกลวงมาต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่สาคัญที่ปัญญามันบอดนะมันก็ไม่รู้นี่จึงต้องถูกหลอกถูกต้มตลอดเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายอันไหนมันก็เนื้ออันหนังอันเดียวกันหญิงก็หนังเนื้อก็หนังชายก็กระดูกหญิงก็กระดูกเช่นเอ็นสับตับไตไตฝูงล้วนแน่ตั้งแต่ของประจุปูนเต็มกันไปหมดมันมีหญิงมีชายที่ไหนฟาดตรงไปที่นักปฏิบัติ เรื่องอสุภพรุภังนี่แหละการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางภาระอันหนักที่ว่าภาราเขเวปัญจักขั้นถามันรับผิดชอบด้วยมันแบกมันหามได้อุปทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยอรุพรุภังพิณิปิญญาทั้งภายนอกทั้งภายในได้ทั้งนั้นภายนอกเอามาแยกมาแยกสิเป็นอะไรดังที่พระเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้ามันเป็นอะไรป่าช้า มันมีอะไรดิบดีอยู่นั้นมันเป็นตลาดล้านค้าที่ไหนพอที่จะเพื่อจะเพลินอยากต้องการนั่นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อประดับปนาตดาตนประดับประดาบ้านเดือนก็คนตายทั้งนั้นอยู่ในปากช้ า, ชานั่นแหละท่านเออที่จะนาป่าชา้าเมื่อพิจารณาป่าชา้าแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพิี่ณาป่าชา้าผีดิบคือตัวของเราและซากกระสอบต่างๆที่เต็มอยู่ภายในตัวของเรานี้ให้กระจายลงไปเป็นสภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วความบ้าหญิงว่าชายว่าเขาว่าเราว่ารั ก, กใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจากอ่าความกิงเพราะนี่เป็นความกิงแล้วความจําปลอมมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอะพิจาราแยกเนีแยเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงอบเย็นใจอย่าไปกังวลกับ อาการของสติปัญญาด้านใด ม, มดุมใดว่าตอนนั้นพิจารณายังไม่แจง้งตอนนี้พิจารณายังไม่ชัดเวลานั้นพิจารณายังไม่แจง่งแจ้งชัดเจนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทํางานคนละเวลาหน้าที่ขณะดที่ทาจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบเท่า น, นพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็าตามให้แยก จิตออกจูจิตออกสู่ปัญญาพิจารณาไข้ควรดูเป็นไปหมดโลกธาตนี้มีอันใดที่มันแตกต่างกันบ้างหละ่ะในโลกนี้จิดถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้มีเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้ได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเนา่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกเต็มโลกเต็มัมงสาร น, นี้มันตื่นหาลายจิตนี่ ปัญญามีทําไมจริงแม่ไปสอดสองดูของจริงทั้งหลายนี่แหะเหล่านั้นเป็นของเริงนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาจแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลําดับลาดาเพื่อให้พอเหมาะกับการปฏิบัติและเวล่าเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทัทง้งเช้าสายบ่ายเย็นอุยยาฝนต่างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบชัดถึงความจริงทั้งหลายมีอรุภะอรุปภังเป็นต้น จากนั้นก็จะค่อยกลาลงมาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอาตาแล้วทีนี้พอสุดท้าลงไปนายตรายักทั้งสามประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในจิตใจมากกว่าตรายักทั้งหลายเช่นทุกขังยิดมันมีความหนักแน่นมีความติดพันในทุกชอบใจในการพิจารณาทุกก็เอาพิจารณาทุกลงไปไม่ผิดเนี่ยยิดมันมีความติดพันมีความ ชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็อภิจนาอนิจจังลงไปจิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก็อภิจนาอนัตตาลงไปถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใยลักด้วยกันทั้งนั้นเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาสู่จิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลาดับลำดา ผลที่จุดร่างกายของเรล่านี้มันก็เห็นได้ชดัดอยู่ด้วยกันก็รู้วันนี้คือจิตนี้คือธาตุคือขันนั่นคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกอวัยวะส่วนต่างๆไม่ใช่จิตนะอาการต่างๆของจิตที่คิดออกไปในแง่ต่างๆก็รู้ว่านั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่มีใครบอกก็รู้ เพราะวิธีการพิจารณานี้เป็นมิติกลั่นกรองเพื่อจะทราบทั้งสิ่งนั้นทั้งอาการของกิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทั้งกิตเองหนักเมื่อทราบชัดโดยลําดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกเราหามให้หนักหน่วงท่วงทิศกายมาเปื่อนานๆนั้นจะค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลําดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงกิต อาขันตั้งห้าปล่อยลงไปด้วยปัญญารู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวางไปจมกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งพบแห่งทาาบทั้งหลายคืออะไรนั่นแหละพี่นี่นี่แหละที่เรากาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดอริยสัจพูดเรื่องเกิดเจริญตาอสุภะอสุภางในจังทุก ข, ขังาตาไม่เป็นไอ้พัดเจแพะเจ็เป็นอะไรมันเป็นอริยรอริยสัจทั้งนั้นนี่นี่แหละอริยสัจทํางานทํางานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญา เมื่อถึงขั้นปัญญาเก้าแล้วเก้าวไปโดยลําดับลำดั บ, ดดบแล้วก็มาทราบตนโดยลําดับจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในใจิตใจท่านเรียกทั้งสัพพรมะว่าอวิช า, านะท่านอวิชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งทับแออก้วแล้วนะ่ะมันมันมันรู้แบบงูงูปลาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่อภิชา คือรู้อย่างชัดเจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งน่ะหลวงพ่อพุทธเจ้ารู้น่ะนี่เวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณาต่อยลดไปลงไปหมดแล้วหมดทางต่อยหมดทางรู้ถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะเจาะเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตธรรมนั้นเองเพราะอาการทั้งห้านี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งได้ผลจนกระทั่งถึงจิตตวิชา ถึงท่านนั้นแล้วก็เหมือนกับเราสาวเทวันเข้ามาสู่ลาต้นของมันสู่กอของมันรากของมันละ่ะถอนขวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีกี่เส้นกี่สายยาเวเหยียดมากน้อยเพีงยงไรก็ตามมันจะบรรลัยตายไปด้วยกันหมดเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชารูปเสียงกินนรเครื่องธรรมปับอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปธรรมของจิตที่เป็นนวิชา มันถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสั้งขามอย่างยามันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของกิตได้จะออกมาจากวิชามาสําคัญมั่นหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไ่บริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานก็ไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับว่าลากแก้ออนเดียวเท่านั้นถอนพรวดขึ้นมาด้วยปัญญายาม่างทราบ อย่างชัดเจนแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่นั่นะ่ะมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบัตินี่แหละตามร่องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาตะกุ่นนี้นี่แหละภาคปฏิบัติคือตามเข้าไปอย่างเนี้ยจกนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นพบเป็นชาติท้ายจากเกิดจากจะตายคืออะไรก็คืออันนี้เองพอถอนนี้ไปแล้วอะไรจะพักเก อ, อ, อีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อแล้ว ธรรมชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรแต่ว่าอาริยสัจเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องกัางตรองธรรมชาติที่ให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาติให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัจก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกกรมจักมีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นภาในจิตใจไม่มีอีกเลยนะเพราะสมุทัยไม่มีเนะี่ยมัด ก็มีตั้งแต่เวลาแก้คดีเดือดตัณหาสระเท่านั้นเมื่อแก้คดีเดือดตัณหาสระแล้วปัญญาที่เรียกว่ามังมัดนั้นก็หมดหน้าที่ไปก็เหลือแต่ปัญญาที่จะใช้ไปตามสมมุตินิยมข้ออัดข้อธรรมที่เดี๋ยวนี้กำลงสอนโลกสงสารต่อไปเท่านั้นที่จะแก้คดีเดือดตัณหาไม่มีอีกแล้วปัญญาก็ดีเพราะเรื่องคดีเดือมันหมดแล้วอวิชชาหมดแล้วปัญญาประเภทสังหา น, นั้นมันก็หมดปัดหน้าที่อันเดียวกันนิโรธความดับทุกข์กดับไปแล้วมานิโรธที่ไหนอีก มันการนีโลดหนอนเดียวเท่านั้นเมื่อเต็มที่แล้วนี่โลดเพียงหนนเดียวหมดก็ทําหน้าที่ผ่านไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุตโธเท่านั้นนี่แหละพระเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสตัดโลกพระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี้่เลยมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสําคัญสั่งสอนสตัดโลกโดยอาศัยอาการแห่งขันนี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลาย บางที่ท่านแสดง ท, ทำมากอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันแสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือจุนล้วนนี่แสดงอาการออกมาไม่ได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไ ง, งจิตต้องอาศัยตัวนี้เป็นเครื่องแสดงเรื่องนี้นี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขอจะเห็นสิ่งใดเปสิ่งที่สําคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งพบแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปยาสร้างคาลาอัน เป็นลากฐานสําคัญแห่งภพธรรมชาติให้เชินประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนทรวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงให้มีคําว่าอาดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทางนั้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมาชาติจะเบริสุธิ์นั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้เชื่อแต่เพียงว่าดีมุตดเท่า น, านั้นนี่แหละผลในการปฏิบัติธรรมสดสดต้อนร้อนอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติอยาเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไป แ, แล้ว นอกจากโมฆะบุรุษเท่านั้นโมฆะสตรีโมฆะภิกสุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดิีความดีแล<ะ>้วให้กิเ wieder, ลต<ะ>้มเอาไว้ไม่มีงนะนี่ถ้าทําชั่วที่เกียดตที่คันทอแท้อดเดอร์มีความดุดเดือดในทางเทีย่ยวและการทําชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันดังคำไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความกลัวไม่มีความบาดเสียวไม่มีความเข็ดหลับนี่เรื่องของกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้ เพราะนั้นจงให้เห็นความเจ็ิหลาบเพื่องด้วยธรรมและจะเห็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงพานิต จ, จะถอนขวดออกมาแล้วหมดปัญหาโดยการทั้งปวกท่นขอให้ทุกท่านจงให้ตั้งอกตั้งใจพืชปฏิบัตินีเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ขอให้เคารพตนถ้าเคารพจะเรียงครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แจ้งขีลับนั้นไม่ใช่ธรรมนะธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลส ตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้ภาคผนวกตั้งอกหงุด ใ, ใจเพื่ปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของปัจจัยธ ร, รทั้งสีนี้มันจะแสดงออกทางไหนามันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหละคือสมุ ท, ทยัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี่ไม่ดีคนนั้นสูงคนนี่ต่ําคนนั้นหน้าตำหนิคนนี่หน้าชมมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกมาจากใจให้สติทันมันนะ ถ้าทันมันแนวมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมาลจา ก, กตัวเองและไม่เป็นมาลจา ก, กผู้อื่นมาละแค่ระคาผู้อื่นเพราะดับตัวละแคราคาออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเสมียดกันหลายให้พากันมรมัดระวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่ขาดที่เด็ดมาหาความทุกข์ความทรมานความรุ่งความหลงมาด้วยกันเวลานี้หวังจะในข้ออาจก็ทํารจากครูจากอาจารย์มาชําระสาสางตัวเองย้ายที่เด็ดมันมาชาระเรานะมันจะมาฟันหัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ย ทะเลาะบอกเล่นกันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันอับอายขายขี้หน้าที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลวสามยิ่งกว่าวงสํานักเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกันขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตินี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มบกเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่พึงหวังอยาให้ปรากฏคอยท่านทาลายได้เห็น อ, อกเห็นใจของผู้แนะนําสั่งสอนและตั้งหน้าตั้ต า, าทั้งรมระวังตนเองและความผิดท่าเดนที่มีอยู่ภายในจิตใจใหันยาให้มันดีดดีหนึ่งมาได้อา่ามันแหลก หเห็นต่อหน้าต่อตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทําคนอื่นให้กตกรวจเทือนใ ห, ให้เขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นแล้วเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของสมุทยัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยเจ้ของที่ติดเตียงคนนี้อละพอเหนื่อยแล้ว่นไม่มีวิชาใดเลยที่จะคนพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระเจ้าวิชาธรรม เรียนจบวที่ดูกก็จบเธอะแล้วเรียน ว, วิชาทําก็ดีถ้าไม่ไม่ไม่นำตามแบบครูเจ้าทรงสอนไว้ปริยัติพอจำวิธีการนั่นะให้ดำเนินตามนั่นล่ะนั่นล่ะการดำเนินตามยู่ตามรอยแหละทีึงีงทั่งไปเจอจนได้ยลยมลากแก้วมันก็คือวิชาปฏิญาตามมาจากนู่น <c oughs> เหมือนกับเ <c oughs> ทวันมันเลื่อยออกไปนู่นนู่น <c oughs> นุ่นกระจายไปมันเลื่อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเงาเดียวกอนเดียวเถานี่ออกนุน่นเถานุ่นออกนุ่นเถานุ่นออกนุน่า น, า น, านมันเลื่อยออกไปหน่จากตาหูจมูกร่านกายเนีเลื่อยออกไปารูดเสียงกินนวดกลางนิสทั่วโลกก็พลาดออกไปจากกอเ น, นี่ยใครก็ไม่รู้สิตามแต่เงาไปเลี้ยนก็เลียนตามแต่งงเงาไปพอท่าปฏิบัติก็ย้อนเลยตามบ้างตามามาตาม เลางพ่อวุฒิเจ้าเลยสาวุ้งยันเขามาพบความกินก็จะสงสัยไาไหนก็มาเจอต่อหน้าต่อตาจะไปสงสัยที่ไหนอะไรก็ตามถ้าลงไปเตอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก็ไม่สงสยัยละแต่เจอนี่ย น, นี่ก็ผมก็ทั้งนั่นเขาบอกมาแล้วเนี่ยจะต้องจะินทางเที่ยวในเวลาวั น, วนที่ยี่สิตอนเย็นเนี่ย อปนี้ก็ยังจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอะไรหีราดแล้วก็ต้องถึงจะไปที่หมอไทยมี่การตรวจโรคนี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะมันเ ก, ก, กนจือกโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเกีกกจือกโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้เนี่อย่ที่เราจํายอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดงนั้นขอให้หมู่เพื่อนอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบ อย่าให้มีเรื่องอลาวอะไรการเดินโยกมณงสมัติภาวนาให้ถือเป็นกิจจําเป็นสําคัญมากสําหรับเราแต่ละท่านราท่ในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอนงานอื่นอย่าเห็นเป็นสาคัญนะผมไม่เห็นงานใดเป็นสาคัญเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่เห็นงานใดเป็นสาคัญยิ่งกว่างานนี้งานนี้เป็นงานสาคัญมากสาหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นแหละเป็นของดีเลยไอนตน์ ถ้าเกิดเกิดแล้วตายจมแล้วฟูฟูและจมเนี่ยมันมันเป็นอยู่นี้มาตั้งกับตั้งกันเนี่ยแต่และพประชาติแต่และคนละคนแต่และรูปละนามเราเนี่ยไม่มีใครสงสัยแล้วถึงจะความที่สงสัยเรตามหลักความจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่เก่ามันจะกู้นิพพายเป็นนเมื่อถอนนั้นอยงแล้วจึงหายสงสัยจริงไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็ตามฐานที่โกโเป็นหลักธรรมาชาติอยู่แล้วบอกกับตัวกับคนเอาละเรื่องกันละทีนี้